คุณทว่สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะเรามาพบกับรายการสันสีสนทนากันในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่สําคัญของพระพุทธศาสนานะคะก็คือเป็นสัปดาห์ของวันวิสาขบูชาที่บางคนก็บอกว่าเป็นวันสํำคัญที่สุดเลยสําหรับพระพุทธศาสนาเพราะว่าประโญตรงกันตามสําหรับการประโสนิตรัสรู้และปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันขึ้น15บห้าข้ามเดือน6เด็กไทยไม่น่าจะไม่ทราบนะคะว่าวันนี้โดยสรุปแล้วเป็นวันอะไรแต่ว่าจะเข้าใจกันทองแท้ลึกซึ้งหรือไม่<อ>เดี๋ยวในรายการเราไปกราบนมรสการถามพราอาจารย์ไพบูงก็ได้นะคะซึ่งขณะนี้ท่านก็พร้อมที่จะนำพวกเราปฏิบัติธรรมแล้วคะ่ะในตอนต้นของรายการเช่นเคยนะคะท่านพูดโดยการหลักสูตรเอกเรนวัดป่าดอนหายโสจำไวดรธานี คือพระอาจารย์ที่จัดรายการกับเรารัมหะพัยบุญอภิปุณโญเนี่ยแหละคะ่ะจะนําพวกเราเข้าสู่การปฏิบัติธรรมที่น้อยจะมีเหมือนคือนําปฏิบัติการกลางอากาศอย่างนี้เลยผ่านทางสถานอินทิทิวครอบครัวข่าวเราไปกราบน้อมักการะท่านกันเลยนะคะน้อมสักการะท่านคะ่ะเชิญพร้เรามาเริ่มการฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมกันซะก่อนไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบที่ว่าเรามานั่งสมาธิหลับตา หรือว่าการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบแบบในชีวิตประจําวันเช่นบางคนทำงานไปเรียนหนังสือหรือว่าสอนหนังสือก็ตามเนี่การปฏิบัติไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนก็ต้องเริ่มที่สติทั้งสิน้นสตินี้พระบุทรเจ้าตรัสว่าเป็นอธิบดีคําว่าอธิบดีนั้นก็คือเป็นหัวหน้านั่นเองในการที่จะสั่งการสั่งงานอะไรอย่างเวลาที่เธอเราอยู่ที่ทํางาน การที่เราจะพูดออกไปให้เป็นสัมมาวาจาเนี่ยการที่จะทำตรงนี้ได้ก็ต้องมีสติตั้งขึ้นเอาไว้เรานั่งสมาธิอยู่ที่บ้านหลับตารู้ลมหายใจอย่างนี้ก็ตามเนี่ยเราจะคิดเรื่องที่มันเป็นสัมมาสังกปะไม่คิดเรื่องที่เป็นมิจฉาสังกปะการที่เราจะทำอย่างนั้นได้ก็ต้องมีสติตั้งขึ้นวิธีการที่จะทำให้เกิดสตินั้นมีอยู่หลายวิธีการด้วยกัน ไม่ว่าเราจะคิดถึงเรื่องการที่เราเคยไปทำบุญทำทานที่นั่นที่นี่อันนี้ก็เป็นจาการุสติหรือว่าการที่เรามาคิดถึงเรื่องที่เรามีศีลมีธรรมอันนี้ก็เป็นศีลานุสติหรือการที่เราคิดนึกถึงบรรพบุรุษของเราจะเป็นพ่อหรือเป็นแม่ที่เขามีคุณธรรมเช่นความซื่อสัตย์เช่นความอดทนเช่นความขนขวายน้อยเช่นการ มีความเพียรพวกนี้การระลึกถึงคุณธรรมของบรรพบุรุษเหล่านี้ก็เป็นเทวตาอนุสติสติที่เป็นอนุสติทั้ง10อย่างนัเป็นเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสามารถที่จะใช้ในการที่จะทำสติปัฏฐานทั้ง4ให้เกิดขึ้นได้วิธีการนั้นเรามาเริ่มด้วยการใช้ลมหายใจของเราในขณะที่เรามารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่อย่างนี้ สติก็จะเกิดขึ้นตามกระบวนการของอาณาปานสติรู้ลมหายใจนั้นลมหายใจเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปมาอยู่เสมอเราเอาณจุดใดจุดหนึ่งที่เราจะรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้จุดหนึ่งจุดนั้นนันก็จะอยู่ในบริเวณโพรงจมูกนี่แหละที่เรารับรู้ถึงกลิ่นเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนี้สําหรับคนที่อาจจะไม่ได้หายใจด้วยวิธีการปกติ เช่นคนที่อยู่โรงพยาบาลใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยถ้าเราไปถามเขานะว่าเขาสามารถรับรู้ถึงลมหายใจได้ไหมแต่มันก็จะมีสักจุดหนึ่งที่เขาจะรับรู้ถึงลมหายใจที่เคลื่อนออกเคลื่อนผ่านเข้าได้อยู่แต่ก็ในกรณีของบุคคลนั้นก็ให้ตั้งจิตไว้นะที่ตำแหน่งนั้นที่เขารับรู้ถึงการหายใจยตรงนั้นเวลาที่เราตั้งจิตขึ้นไว้อยู่กับเครื่องมือนะในที่นี้คือลมหายใจเครื่องมือ หากคุณคิดถึงเรื่องการให้การบริจาค ก, ก็เรื่องราวตรงนั้นการคิดถึงเรื่องของคุณธรรมอย่างเช่นการมีฮิริอุตปะการมีศีลพวกนี้เป็นสติอย่างสิน้นหลังจากคิดถึงด้วยเครื่องมือแบบไหนก็ตามสติปัฏฐานทั้งสนี้จะเกิดขึ้นในจิตของเราทันตีเพราะเมื่อเรามีสติตั้งขึ้นแล้วถ้ามีกายที่สงบระงับการที่มีกายสงบระงับนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นกายในกายมันเป็นสติปัฏฐานที่ ใช้กลายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการรลึกถึงหรือว่าถ้าเรามีจิตที่สงบระงับมีการปรุงแต่งของจิตระงับลงในการปรุงแต่งของจิตนั่นก็เป็นลักษณะของเวทนาเป็นการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายหรือว่าการที่จิตเราเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวจากเครื่องมือคือสติในอนุสติ10อย่างที่เราตั้งขึ้นนี้การที่จิตระงับเป็นอารมณ์เดียวนี้ก็เป็นการที่เห็นจิตในจิต เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเวลาที่เราจเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ด้วยเครื่องมือคืออนุสติทั้งสิอย่างนี้อย่างบางทีมันก็จะมาม า, มาไปไปคาว่ามามาไปไปนี่ใช่ไหมในขณะที่เรารู้เราหมายใจเนี่ยเราจะคิดว่าเออพรุ่งนี้ฉันจะไปใส่บาตรหรือฉันจะไปทําบุญทําตานเป็นวันพระการคิดนึกนี่ก็เป็นจากการอนุสตินะก็แสดงว่ามีการจเจริญทั้งอานาปานสติด้วยมีการจเจริญทั้ง จะาขาดนุสติด้วยนั่นคือไม่ใช่ว่าความคิดทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในหัวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่ใช่แต่เราต้องรู้จักการแยกแยะว่าความคิดที่ผ่านเข้ามาในหัวของเราถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามไม่เป็นการพยาบาทหรือเบียดเบียนใครความคิดนั้นก็เป็นส่วนแห่งกุศลธรรมมีได้แต่พอมีแล้วไม่ได้ทาให้เราเผลอเลอหลงลืมสติแต่ให้เป็นผู้ที่ มีความไม่ประมาทมีการให้ทานอย่างเงี้ยคิดว่าจะไปให้ทานทําบุญสร้างกุศลด้วยการให้ทานความคิดนั้นก็เป็นสิ่งดีเป็นสติเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่เราใช้นี้สามารถจะใช้ได้ไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดๆถ้าเราเห็นลมก็ใช้อานาปานสติถ้าเราผ่านวัดเห็นโครงสร้างเห็นอะไรที่เป็นในทางพุทธศาสนานึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุท ธ, ธานุสติถ้าเราผ่านต้นโพเห็นต้นโพเห็นใบโพ นึกถึงพระธรรมประสงค์เราก็เจริญธรรมานุสติสังขารนุสติได้ซึ่งการกระทํานี้สามารถทําได้ตลอดทั้งวันลืมตาหลับตาคุยกับใครไปที่ไหนทําได้ตลอดเลยเจริญปัญาน้องสการค์ค่ะก็เป็นการนําปฏิบัติสมาธิไปด้วยแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเจริญสตินะคะว่า มีวิธีอย่างไรกันบ้างที่จะทำให้สติของเราตั้งขึ้นได้รวมทั้งหมดมีสิบอย่างแต่ว่าอาจารย์จะยกตัวอย่างสาหรับเรื่องอาณาปานสติแล้วก็สังเคราะห์เอาที่สติจะตั้งอยู่ได้อีกเก้าอย่างมูให้เห็นด้วยกันนะคะพระอาจารย์เพบูนเพิ่งเดินทางมากรุงเทพเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะเพิฟังที่โซกค่ะรู้สึกว่า ชาวปตทนี่จะได้รับเมตตามาแสดงธรรมกับท่านบ่อยมากเลยนะคะอ๋อเพราะว่าก็มีความคุ้นเคยกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เขาไปปฏิบัติธรรมที่วัดก็เป็นประจำทุกปีแล้วก็เลยมีความคุ้นเคยกันนิมนต์ไปเทศแสดงธรรมได้ค่ะช่วงวิสาขาบูชาอย่างกรุงเทพ ก็จะมีที่ศูนย์กลางเช่นสนามหลวงเนี่ยนะคะก็จัดกิจกรรมเป็นประจํากันอยู่ทุกปีที่จังหวัดอุดรธานีก็มีการจัดลักษณะนี้บ้างไหมคะแล้วก็รวมไปถึงวัดของท่านด้วยค่ะที่วัดป่าดอนไหนโศกนี่ก็จะมียาโยมมาอ่ทําวัดสวดมนต์มาถวายทานอย่างเงี้ยจะมีอยู่ในวันนั้นะก็จะเป็นในเวลาช่วงเช้าแล้วก็อในจังหวัดอุดรธานี ก็จะมีจัดกิจกรรมกันแต่ตอนขําก็จะมีเทศแสดงธรรมแล้วก็เวียนเทียนอันนี้เป็นเป็นงานที่ทางมาเทรสมาคมเนี่ยได้สั่งมาทุกวัดทั่วประเทศอยู่แล้วนะว่าในวันสําคัญทางศาสนาเช่นวันอาสาฬบูชาวันวิสาขาบูชาวันมาฆบูชาเนี่ยต้องมีการจัดกิจกรรมทีนี้วัดป่าดอนไหน่ศของเราเนี่ยก็มีทุกเดือนกา่จัดกิจกรรมก็คือกา ร, ร, ร, การเข้าคอร์สเรตธรรม นี้เป็นหลักอยู่ละครับส่วนเรื่องวันสําคัญอย่างในเดือนพฤษภาคมนี้ปีนี้ก็เป็นงานวิสาขบูชาใช่ไหมก็ก็มีการจัดที่ว่าให้มาฟังธรรมธรรบุญตักบาตรอย่างเงี้ยมีทุกวัดอืมค่ะเมื่อตอนต้นรายการนี่ค่ะไม่ทราบท่านได้ยินที่ฉันเกิดไว้หรือไม่ว่าส่วนใหญ่ที่จะทราบกันนะคะอืมว่าวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันสําคัญเพราะว่าวันแรมสิบห้าข้ามเดือนหกเดียววันเนี้ย เกิดเหตุการณ์สาคัญของพระพุทธเจ้าถึงสามเหตุการณ์ก็คือประสูตรัสสรู้และปริมิพานในความเข้าใจเท่านี้เพียงพอแล้วหรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเข้าใจวันวิสาขบูชากันมากกว่านี้แตกต่างกว่านี้อย่างไรไม่ตอนที่สมัยามเด็กๆนะช่วงประถมมัธยมเนี่ยคิดว่าวันวิสาขบูชาเนี่ยดีใจอย่างหนึ่งคือได้หยุดแล้วก็มีรายการพิเศษทางทีวีแล้วก็ที่สําคัญก็คือดันไปมีความเข้าใจว่า พระพุทธเาเนี่ยยังงงๆว้ทําไมประสูตรตรัสรุปแล้วก็บ ร, ริญญิพานวันเดียวกันเนี่นะคือคิดว่าเป็นวันเดียวกันของปีเดียวกันสะสมัยเด็กๆคิดอย่าง 3, นั้นเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเหตุการณ์าวใหญคัญค่ะโอคงจะแบบอืมีฤทธิ์หรือว่าอะไรสักอย่างได้อีกหนึ่งด้วยความเป็นเด็กก็ไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าไม่โดนหักคะแนนข้อนี้เลยคือเขายังไม่ได้ถามลงไปในรายละเอียดว่าปีเดียวกันหรือยังไงอ๋อใช่ทีนี้พอศึกษามาเรื่อยๆก็พบว่าอ๋อคนละปี คนละปี <Okay. S 1> คือประสูติก็ปีหนึ่งใช่ไหม <Okay. S 1> ถัดมาจากนั้นอีก35ปีอายุ19 29ปีพระพุทธเจ้าออกบวชทำำําบําเพ็ญความเพียรอยู่6ปีอายุ35ปีเนี่ยท่านบนรรลุธรรมคือประสูติส ม, มุติเรานับเป็นปีที่1ใช่ไหม <Okay. S 1> ถัดมาอีก35ปีวันเดียวกันของเดือนเดียวกันอีก35ปีถัดมาท่านก็ตรัสรู้ธรรม ถัดไปอีก45ปกนะีวันเดียวกันคืนเดียวกันเดือนเดียวกันเนียท่านก็ปริรนิพันธ์ค่ะอันนี้เป็น çu. วันเดียวกันแต่ว่าคนละปีแล้วที่สำคัญก็คือว่าในแต่ละวันในที่ว่ามี3วันคนละปีเนียที่อยู่ในเดือนและวันเดียวกันเนียนะอ่าคือวันเพ็ญเดือนอวิสาขะคือเดือน6นนของแต่ละปีเนียของในในปีที่ว่าเนีย ใน3มปีคือปีที่1ปีที่35แล้วก็ตัดมาอีก45ปีคือปีที่80เนี่ยมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยที่เราต้องรู้ก็คือว่าแล้วมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนเพราะว่าเป็นที่ถึงสที่ที่พระบุทรเจ้าบัญญัติว่าเออตรงนี้เป็นสถานที่ที่ควรมาเห็นและควรสักการะบูชาคือที่ประสูติที่ตรัสรู้แล้วก็ที่ปรินิพานสามที่เป็นคนละปีกัน แต่ว่าเป็นวันและเดือนเดียวกันคือวันเพน็ญเดือน6ของปีนั้นๆแต่และเราก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคนละที่อันดับแรกคือเรื่องของการประสูติแต่ว่าท่านประสูติที่นี่อันนี้ทําไมพระพุทธเจ้าถึงบัญญัติว่าตรงประสูติเป็นที่ที่สำคัญจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีธรรมะหรือก็ไม่ไดแสดงธรรมแล้วก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยซ้ําำคือยังตอนนั้นยังเป็นโพธิสัตว์อยู่บังเกิดขึ้นมานะ อันนี้จะมามองว่าเป็นเรื่องของพระเจ้าจักรพรรดิพระพุทธเจ้าเคยแสดงธรรมเอาไว้นะว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยหนึ่งจะไม่ลืมสถานที่สมสถานที่นี้เลยนึ่งคือ1ที่ที่ตัวเองเกิด2ที่ที่ตัวเองชนะสงครามการยิ่งใหญ่แล้วก็สามที่ที่ตังตายสามที่เนี้ยจะเป็นสถานที่ที่พระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจะจะไม่ลืมในเรื่อองการตรัสรู้นี้คิดว่าคงจะทราบกันเนาะที่ว่า มีการบำเพ็ญทุกรกิริยาอยู่ถึงหกปีแล้วก็มาเดินทางสายกลางจนได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสมัมพุทัญญาเป็นพระพุทธเจ้าค่ะอันนี้ตรัสด้วยเองใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องว่าประวัติของพระคน้ปาไรแล้วก็เหตุผลทำไมวันนี้สำคัญถูกต้องถูกต้องมีในหลายพระสูตรด้วยกันเช่นอจเริยภูตะธรรมสูตรในความเป็น เรื่องที่นาอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าอัอนนี้ท่านก็ตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องของการประสูติเรื่องของพระมารดาอีกประสูติหนึ่งเรื่องของมหาบุรุษมสประการก็มีรายละเอียดตรงนี้นิดหน่อยเรื่องของการตรัสสรุนี้ก็จะอยู่ในโพธิราชกมุมารสูตรแล้วก็อีกหลายๆลายอันเรื่องของปรินิพานนี่ก็จะอยู่ในมหาปรินิพานสูตรพวกนี้เป็นพุทธพจน์หมดเลยท่านอาจารย์คะคื อ, อดิฉันเองเนี่ยเคยอ่านหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ ที่คณะของท่านพุทธทาสได้รวบรวมไว้เจนบานเป็หนึ่งในชุดใหญ่จากพระโอษฐ์ที่ว่ารวบรวมมาตั้งยี่สิบกว่าปีนะคะเจนบนานพระสูตรที่ท่านได้ปล่าไปแล้วทั้งหมดนี้ได้รวมอยู่ในหนังสือชุดนั้นนะคะถูกต้องถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะแนะนําท่านนักถ้ามีโอกาสก็น่าจะไปอ่านนะคะเพราะว่าพออ่านแล้วเนี่ย ดิฉันกน่าตื่นเต้นมากเหมือนกับเวลาเราอ่านประวัติใครสักคนบางทีให้สัมภาษณ์น่ะคนธรรมดาธรรมดาย่างน่าสนใจเลยนะคะแล้วก็ประวัติของภาษาสดาของเราเนี่ยย่อมน่าสนใจมากที่สุดและถ้าไม่อ่านเสียดายมากอไม่ขยายความทั้งกระดกค่ะแล้วก็ในในหนังสือนั้นนอกจากจะมีเรื่องการประสูตรัสสรุปนิพนธ์ผานแล้วก็ยังมีการเทศสอนบอกสอนอะไรเรื่องราวที่ปราบทิฏฐิของคนที่ไม่เข้าใจอเข้าใจไม่ถูกต้อง อันนี้จะมีในหนังสือเล่มนี้จะดีมากเลยค่ะสำหรับดิฉันเองเนี่ยนะคะดิฉันชอบอที่ท่านได้ตรับเล่าว่าท่านได้ทรงปฏิบัติอะไรบ้างกว่าที่จะบรรลุธรรมแล้วก็ทอดเป็นมรดกเอาไว้ให้กับพวกเราจนถึงทั่วนี้ซึ่งโอ้โหเป็นสิ่งที่ดิฉันเข้าใจว่ามีความละเอียดแล้วก็มีความมุ่งมั่นอย่างชนิดที่ไม่น่าเชื่อนะคะว่ายอมสละ ทุ่มเททาทุกอย่างแม้กระทั่งทรงสเสวยอุจจระเป็นต้นนะคะกว่าที่ท่านจะบรรลุธรรมใช่ล้วกันแล้วก็ที่น่าสนใจมากที่สุดสำหรับดิฉันนะคะดิฉันสนใจตอนที่ท่านจะตรัสรูะคะ้ค่ะว่าสภาวะธรรมดิฉันใช้คำนี้ถุงคะเป็นเช่นไรบ้างแล้วก็ตรัสรู้แล้ว ได้ทรงทําอะไรบ้างในทันทีที่ตรัสรู้และในระยะเวลาถัดๆมาใกล้ๆนะใช่ค่ะแต่ว่าเราคงจึงเวลาคุยกันอีกบางเอิญดิฉันเนี่ยมีคําถามนะคะเรียนบาลแล้วก็เป็นคําถามที่สืบเนื่องจากการที่ท่านได้กล่าวสอนการปฏิบัติในช่วงต้นซะด้วยเป็นเรื่องของการปฏิบัติเนาาี่ยล่ะค่ะจากคุณสิริวันซึ่งอยากจะทราบว่า การปฏิบัติที่ท่านสอนอันนี้ดิฉันเสริมเข้าไปนะคะดิฉันพออ่านคําถามคุณสิริวนันปุ๊บ ก, ก็นึกเลยว่าเอ๊ะอานาปาญสติเนี่ยเป็นสุขาเลยเป็นทุกขาปฏิปทาคุณสิริวันถามว่าทุกขาปฏิปทากับสุขาปฏิปทามีกระบวนการอย่างไรข้อที่สองจากการปฏิบัติของทั้งสองวิธีมีอะไรเป็นตัวชี้วัดได้บ้างคะว่าในการที่เราปฏิบัติมีการพัฒนาขึ้นโอ้โห หลายคนบอกอยากรู้ตรงใจเป๊ะเลยในเรื่องของสุขาปฏิปทากับทุกขาปฏิปทานะถ้าเรากลับมาที่ตัวแม่บทนะพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสไว้นี่เป็นพุทธพจน์เลยเขารวบรวมไว้อยู่ในคัมภีร์อังคุตระนิกายเล่มที่ยี่สิบเ็ดเริ่มต้นที่ข้อหนึ่งหเอ็ด น, นี้เราไปหาดูได้คัมภีร์เล่มที่ยีสิบเ็ดเริ่มต้นที่ข้อหนึ่งร้อเอ็ดอันนี้พระพุทธเจ้าจะตรัสไว้ อยู่ในญยะที่รวมกันกับเรื่องของการบรรลุช้าหรือการบรรลุเร็วเนี่ยคือสุขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาใช่ไหมอันนี้คือส่วนต้นคือการปฏิบัติว่าคุณจะปฏิบัติแบบสุขาหรือทุกขาส่วนการบรรลุลก็จะมีสองแบบคือบรรลุได้ช้าหรือว่าบรรลุได้เร็วบรรลุช้าหรือบรรลุเร็วนี้ก็คือเป็นขิปนาปิญญาหรือว่าทันทาปิญญา ก็เลยพอมาจับคู่รวมกันแล้วก็จะได้4อันพระพุทธเจ้าให้ใช้ชื่อว่าปฏิปทา4แบบนปฏิปทา4แบบคือปฏิปทาที่เรียกว่าทุกขาปฏิปทาทันตาปิญญาหรือว่าทุกขาปฏิปทากิปาปิญญาคือปฏิบัติแบบทุกขาแต่รู้ได้ช้าปฏิบัติแบบทุกขาแต่รู้ได้เร็วปฏิบัติแบบสุขขารู้ช้าปฏิบัติสุขขารู้เร็วก็มีแล้วก็จะมี4แบบนี้ทีนี้ในพระสูตรนี้ถ้าเรามาดู คื อ, คอถ้าจะอ่านก็ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้อ่านเนี่ยพระมาจะเล่าให้ฟังเนา ะ, ะท่านก็จะบอกไว้2อนัยยะพระพุทธเจ้าจะชี้แจงไว้2องนัยยะในยะแรกของที่เรียกว่าสุกขาปฏิปทาคำว่าปฏิปทาเนี่ยหมายถึงระบบการปฏิบัติถ้าพูดภาษาเราก็คือเป็นซิสเต็มเป็นระบบในการปฏิบัติที่เป็นระบบนในในยะแรกพระพุทธเจ้าอธิบายถึงคําว่าทุกขาปฏิปทาเนี่ยคือคุณจะมีความทุกข์ที่เกิดจากราคาโทสะโมหะ เนืองเนืองคุณจะมีความทุกข์ที่เกิดจากราคาโทสะโมหะเนืองเนองือันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นทุกขขาปฏิปทาส่วนสุขาปฏิปทาก็ตรงข้ามกันมีความทุกข์ที่เกิดจากราคาโทสะโมหะเนี่ยน้อยเพราะว่ามีโทสะราคะหรือโมหะเนี่ยอ่อนไม่กล้าก็จะมีความทุกนี้เราจะเปรียบเทียบกับสมัยปัจจุบันยังไงเช่นถ้าเราดูคนที่จีจัดง่ายคนที่จีจัดง่าย มีราคาโทสั่งมัวหัขึ้นลงลมขึ้นลงบ่อยๆอันนี้ก็จะอยู่ในลักษณะของทุกขาปฏิปทาในขณะที่คนที่ตรงข้ามกันไม่จะเรียบเรียบเย็นเย็นิ่งๆงงงอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสุขาปฏิปทาใ น, นนี้คือดในยะที่หนึ่งนะในยะที่สองพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าสุขาปฏิปทาคืออะไรทุกขาปฏิปทาคืออะไรแทุกขาปฏิปทาเนี่ยคือการที่พิจารณาเห็นความไม่งามในกายพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆ โดยความเป็นของไม่น่ายินดีพิจารณาเห็นความเป็นปฏิกูลในอาหารเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายพวกนี้นะเป็นเรียกว่าเป็นทุกขาปฏิปทาส่วนสุขาปฏิปทาในนัยยะที่2ก็คือการที่เข้าสมาธิไนะล่ไปตั้งแต่ชั้นหนึ่งชั้นสชั้นาชั้น่ซึ่งตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกันสอดคล้องกั น, กนตรงไห น, นนะคือสาหรับคนที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางเนี่ยนะ คือเขาไม่ได้ค่อยมีราคาโตสาโมหะกล้าเนี่ยลักษณะการที่จะให้จิตเข้าไปสู่สมาธิมันจะง่ายกว่ามันจะทําได้ง่ายกว่าแตตรงนี้จึงเป็นรวมกันในส่วนที่เราเป็นสุขาปฏิปทานีก่อนก่อนที่จะอธิบายไปเพิ่มเติมเนี่ยต้องทำการเข้าใจอย่างนิดนึงก่อนว่าสุขาปฏิปทาไม่ใช่ว่าดีกว่าหรือว่าทุกขาปฏิปทาไม่ใช่ว่าแย่กว่าฟังแล้วมันเป็นทุกข์ฟังแล้วมันไม่ดีทําไมมีความทุกข์มากทําไมนี่มีความสุขมากไม่ใช่ว่าอันไหนดีกว่ากันหรือไม่ดีกว่ากันนะ อันนี้คือเป็นแค่การบอกถึงลักษณะการกระทํานัำคือถ้าเป็นทุกข์หาปฏิปทาเนี่ยคุณต้องเห็นทุกข์คุณต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์คุณจึงจึงต้องโดนราคาโทสะโมหะคุณจึงต้องมาพิจารณาเห็นความไม่งามเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่น่ายินดีเห็นความตายพวกเนี้ยคือคุณต้องเห็นทุกข์ทำไมคุณต้องเห็นทุกข์ก็เพราะว่าจิตมันแบบมีราคาโทสะโมหะกล้ามันเป็นแบบนี้มามันจึงต้องเห็นทุกข์มันถึงจะเกิดปัญญาถึงจะบรรลุธรรมได้ ไม่ใช่ว่าแย่กว่าหรือไม่ใช่ว่าดีกว่าแต่ว่าลักษณะจิตมันเป็นแบบนี้น่ยจึงมีทุกขาปฏิปทาในขณะที่สุขาปฏิปทาไม่ใช่ว่าดีกว่าเพราะว่ามันเข้าความสุขไม่ใช่แต่ว่าจิตของเขาเนี่ยเป็นลักษณะว่านิ่งๆเย็นๆไม่ค่อยได้มีขึ้นลงตามกระแสสังคมราคาโทรศัพมหะน้อยเพราะฉะนั้นเขาเข้าสมาธิได้จะดีกว่านล้วก็จะเข้าสมาธิได้ดีกว่ามันก็จะเหมาะสมกับคนประเภทนี้ ไม่ใช่หมายความว่าสุขาปฏิปทาดีกว่าหรือแย่กว่านะอันนี้คือเป็นปฏิปทา2แบบคือสุขาปฏิปทาหรือว่าทุกขาปฏิปทาอย่นติบานี้นะทีนี้ในส่วนนี้คือส่วนต้นปฏิปทาคือเหตุนะแล้วผลถ้าคุณทําเหตุนี้เพื่อที่จะให้บรรลุธรรมใช่ไหมคุณทําเหตุนี้คือทุกขาปฏิปทาหรือสุขาปฏิปทาเป็นเหตุแล้วจะเกิดการบรรลุธรรมเนี่ยการบรรลุธรรมเนี่ยนะตรงส่วนที่เป็นผลที่จะเกิดขึ้นเป็นการบรรลุธรรมเนี่ย มันจะเร็วหรือมันจะช้าเร็วหรือช้าไม่ได้ขึ้นกับผลตรงนี้เอา้มาอธิบายอีกฟังนะอีกครั้งหนึ่งนะเร็วกับช้าเนี่ยขึ้นกับว่าคุณมีศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาหรือศรัทธาฮิริเอาแค่ว่าศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญา5อย่างนี้แล้วกันนะ5อย่างเนี้ยคือศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาเนี่ยอ่อนหรือแก่กล้า ศรนะัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้อ่อนหรือแก่กล้าถ้าสิ่งห้าอย่างนี้มันอ่อนก็จะบรรลุธรรมได้ชา้าถ้าสิ่งห้าอย่างนี้มันแก่กล้าก็บรรลุธรรมได้เร็วถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้อ่อนหรือแก่กล้ามันก็อยู่ที่ว่าคุณปฏิบัติด้วยวิธีทุขาปฏิปทามาแบบดีไหม มันกถือว่าคุณมาปฏิบัติด้วยวิธีสุขาปฏิปทาแบบอย่างดีไหมโอเคแล้วมันเป็นเหตเป็นผลมาอย่างนี้นะเหตุคือทุกขาปฏิปทาหรือสุขาปฏิปทาตามแต่ลักษณะของคนคนนั้นนว่าคุณคนคนนี้มีราคาโทสะโมหะกล้าหรือเป็นคนปกติเรียบเรียบง่ายๆถ้าคุณมีปกติราคาโทสะโมหะกล้าคุณก็ปฏิบัติทุกขาปฏิปทาอันนี้เป็นเหตุมาถ้าคุณเป็นคนที่มีปกติราคาโทสะโมหะเบาบ้างคุณก็ปฏิบัติ สุขาปฏิปทามาการปฏิบัติในสองวิธีนี้มันก็จะเพิ่มศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาแนะถ้าศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากการที่คุณปฏิบัติมาด้วยพิธีใดวิธีหนึ่งในสุขาปฏิปทาหรือทุกขาปฏิปทา ก, ก็ตามเนี่ยปฏิบัติมาแล้วมีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเพิ่มขึ้นเพิมขึ้นถ้ามันยังอ่อนแต่มันยังไม่แก่กล้าก็จะบรรลุธรรมได้ช้าแต่ถ้ามันแก่กล้าแล้วก็จะบรรลุธรรมได้เร็ว อันนี้ไม่ได้เป็นตัวบอกนะว่าคุณปฏิบัติมาด้วยวิธีสุขะปฏิปทาคุณจะทำให้สัทธาวิเดสติสมาธิอินทรีพวกนี้มากหรือน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับคนคนนั้นขึ้นอยู่คนคนนั้นแง่มุมตรงนี้คุณโยมติว๋วที่ว่าคนประเภทไหนควรจะเจริญวิธีแบบไหนนี่ตรงเนี้ยที่รพระพุทธเจ้าแยกไว้เป็นสองนัยยะว่าคนที่มีราคะโทสะโมหะไม่กล้าไม่กล้านะ ก็ควรจะใช้วิธีสุขาปฏิปทาแต่คนที่มีราคะโตสะโมหกล้ oh าก็ควรที่ใช้วิธีทุกขาปฏิปทานะซึ่งสุขาปฏิปทาคือเข้าสมาธิชาตน่งสา4ให้มันลึกหมนเลยส่วนทุกขาปฏิปทาก็คือการที่คุณเห็นความไม่งามในการเห็นความไม่เจี่ยงในสังขารทั้งปวงเห็นความตายมรณะสัญญาเห็นความเป็นบฏิกูลในอาหารนะพิจารณาแบบนี้เรียกว่าเป็นทุขาปฏิปทา เรามาดูตัวอย่างคุณโยมติวเอาอย่างท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาสารีบุตรของเราเนี่ยมีครั้งหนึ่งที่ท่านพระมหาโมคลานะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคลานะถามท่านพระสารีบุตบ ร, าารตว่าในปฏิปทาสีแบบเนี่ยท่านพระสารีบุตรเนี่ยบรรลุธรรมเนี่ยด้วยอาศัยปฏิปทาแบบไหนนคือทั้งสองท่านคุยกันด้วยคําถามนี้นคุณโยมติวว่า ท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมห ah าโมคลานะเนี่ยนะท่านเป็นเจริญปฏิปทามาแบบไหน ท, ที่แน่ๆเลยคือ ท, ทั้งสองท่านเนี่ยต้องเป็นขิปนาปัญญาณน่คือบรรลุได้เร็วบรรลุได้เร็วเพราะว่าท่านพระสารีบุตรนี้7วันใช่ไหมท่านพระสารีบุตรเข้าไป15วันท่านพระมห ah าโมคลานะนี่7วันอันนี้ถือว่าเร็วละถือว่าบรรลุได้เร็วละแต่ถามว่าด้วยวิธีสุขหาปฏิปทาหรือว่าทุกขาปฏิปทา อันนี้คือมีในข้อมูลในพระสูตรเนี่นะที่มาในอังคุตระนิการเนี่ยอันนี้เป็นเป็นบทสนทนาของท่านทั้งสองนี้ ค, คุณยมติวเดาให้ให้คุณยมติวดาวว่าเอเดวอวาด ว, ว่าพระสารีบุตรน่าจะสุ ข, ขาอมแล้วก็พระโมคคลานะน่าจะทุกข์อ่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยบอกว่าท่านเนี่ยบรรลุธรรมด้วยวิธีสุ ข, ขาปฏิปทาแล้วก็ขีปนาปิญญาณนะส่วนท่านพระมหมาโมคคลานะเนี่ยบอกว่าจิตของท่านเนี่ย หลุดพ้นได้ด้วยวิธีทุกข์หาปฏิปทากิปาปิญญานี้ท่านบอกไว้คือบางคนคิดว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยไม่ได้แบบมีสมาธิขั้นลึกซึ้งท่านจึงไม่ได้เป็นยอดในเรื่องฤทธิ์อะไรอย่างนี้จริงๆไม่ใช่อย่างนั้ น, นจริงๆบางคนอาจจะคิดว่าโ อ, อ้งั้นการพิจารณาในความไม่เที่ยงจะได้เคยเกิดปัญญาท่านพระสารีบุตรน่าจะพิจารณามาแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงเพราะว่าเรื่องของ อภิญญาที่จะเกิดเป็นฤทธิ์อิทธิวิธีอะไรต่างๆเนี่ยมันมันได้หมดไม่ว่าคุณจะเจริญสุขขาปฏิปทาหรือว่าทุกขาปฏิปธามอเพราะฉะนั้นตัวนี้คือเรื่องของสุขขาปฏิปทากับทุกขาปฏิปตาแล้วคำถามต่อไปที่คุณศิริวัลถามก็คือว่ามีอะไรเป็นตัวชีวัดหรือวิธีปฏิบัติทั้งสองเนี่ยมีอะไรเป็นตัวชี้วัดอันนี้เราชัดเจนแล้วนะว่าขั้นตอนมาไม่เหมือนกันละหนึ่งเข้าสมาธิลึกนี่คือสุขขาปฏิปตาสองนี่คือ ทุกการปฏิปทาเนี่ยพิจารณาให้ในความไม่เทียงเป็นต้นมาถามว่ามีตัวอะไรเป็นตัวชีวัดนก็อยู่ในพระสูตรนี้อยู่แล้วตัวชีวัดก็คือคุณบรรลุธรรมได้เร็วหรือช้าตัวชีวันนั่นคืออินทรีย์ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือวั่งคงที่ถ้าอินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเพิ่มขึ้นอันนี้คือมาถูกทางนะถ้าเราปฏิบัติไปพบว่าเราศรัทธาเราลดลงเรามีความไม่ ลงใจในคําสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นนะดูถูกคนนั้นเอาชั่วเข้าคนอื่นเอาดีเข้าตัวเองหรือว่ามีความคิดไม่ถูกเนี่ยอันนี้แสดงว่าศรัทธาเราลดลงแล้วนะมีวิจิกิจาเพิ่มขึ้นอา้าวแสดงว่ามันมาไม่ถูกละเดินมาร์กเดินปฏิปทาผิดแต่ถ้าบอกว่าเรามีความศรัทธามากขึ้นรู้สึกมีคิดถึงพระพุทธเจ้ามากขึ้นมีศรัทธาเพิ่มขึ้นมีความเพียรเพิ่มขึ้นอันนี้คือเราปฏิบัติมาถูกละ นี่คือมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น น, นั่นเองก็สรุปแล้วคือตัวชีวัะนี่ต้องดูเลยจากอินทรียย์์อินทรีว่างดีขึ้นหรือแย่ลงทีนี้เมื่อท่านอธิบายเมื่อสักครู่ดิฉันสงสัยนะคะว่าพูดถึงเรื่องศรัทธาอืถ้ า, ากว่าในทางพระพุทธศาสนาถ้าเราจะกล่าวว่าศรัทธาใครเรามักจะพูดพรัรตนตรายเลยคือพระพุทธธรรมประสงค์ร่วมกันใช่แต่ทีนี้บอกว่าพระพุทธธรรม ก็ยังศรัทธาอยู่นะอืมแต่พระสงฆ์เนี่ยชักเคลือบแคลงสมมุติอย่างนี้นะคะอือันเนี้ค่ะถือว่าปฏิบัติมาแล้วเขาไม่ก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าไม่กล้าหน้ถูกต้องไม่ก้าวหน้าอ่าใช่คือคือแม้ว่าสมมุติในข้อเท็จจริงนะคะอืมันก็น่าจะเคลือบแคลงจริงจอ่งเช่นว่ามีคนปฏิบัติไม่ดีใช่ไหมสมมุติว่าเราก็เริ่มรู้สึกเราเคลือบแคลงในพระสงฆ์อ นะคะซึ่งดิฉันไม่เข้าใจว่าในที่นี้เข้าใจคําว่าพระสงฆ์ถูกหรือเปล่าเพราะว่าจําได้ว่าท่านมมบุญก็เคยกล่าวในทํานองที่ว่าการศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยความจริงแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นอยู่ด้วยกันทั้งหมดใช่ใช่เอาเอาเอาเฉพาะเอากรณีที่แยกกันก่อนนะเอากรณีที่แยกก่อนเอาเช่นว่าสง์ที่หมายถึงคนที่คนผมห่ ม, มเหลืองอันนี้คือในยะ ท, ทั่วไปในยะที่ลึกไปกว่านั้นก็จะมีเช่นอริยะสงในยะที่ลึกไปกว่านั้นก็คือสงที่อยู่ในใจของเราคือการปฏิบัติอย่างนี้นะ เอาเอาสงที่แบบว่ า, าคนผมผมเหลืองเลยเ อ, า, อยางี้เลยสมมุติว่าถ้าเรามีความคิดเคลือบแครงเนี่ยนั่นความคิดเคลือบแคลงเนี่ยแสดงว่าจิตของคุณเนี่ยไปในทางการพยาบาทเบียดเบียนละเป็นมิจฉาสังกปร์่ะทาไมอ่ะเอาก็พระที่ปฏิปบัติดีก็มีใช่ปะ่ะแต่เราดันไม่ไปคิดถึงพระที่ปฏิบัติดีเราจะไปคิดถึงพระที่ปฏิบัติไม่ดีการที่เราจิตเราไปตรงนั้นเนี่ยมันมันพลาดไปแล้วนะมันคิดแทนที่คิดคุณจะคิด เปในเรื่องที่ไม่เบียดเบียน<ม>กลับไปคิดเรื่องที่เบียดเบียนตรงนี้นะรัตนะของเราก็เศร้าหมองมารคคือสัมมาสังกปะของเร า, าก็เศร้าหมองเพราะว่าจิตกุณไปคล้องแว้ในเรื่องที่ไม่ดีนะซึ่งไม่ใช่ว่าคนปฏิบัติไม่ดีมันไม่มีมันก็มีใช่ไหมคนปฏิบัติ ด, ดีก็มีคนปฏิบัติไม่ดีก็มีแต่ถ้าเราเอาจิตของเรามาไว้ตรงที่ที่จะมีคนปฏิบัติดีความเคลือบแคลงความเห็นแย้งในสงเราจะไม่มี อเรานนจะไม่มีแต่ตรงนี้สําคัญมากแต่คนที่ไม่ดีมัคนควรจะต้องแก้ไหมก็ควรจะต้องแก้แล้วก็ค่อยแๆปรับแก้ไปอาจจะบอกเขาได้หรือว่าช่วยแก้ไขใน ใ, นในระดับหนึ่งแต่ว่าความเคลือบแคลงจะไม่มีเข้าใจไหมค่ ะ, ะงั้นเดี๋ยฉันคิดว่าเดี๋ยวต้องสนทนาต่อเลยในแง่บ่มนี้เพราะว่ามไม่งั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะทําให้แทนที่จะปฏิบตัติสุขขาหรือว่าทุกขาปฏิปทาทำมาดีแล้วนะคะตามความถนัด ของตนอืแล้วก็่าปรากฏพอมาดูตัวชี้วัดเกิดในระหว่างทางเนี่ยอมันมีความเคลือบแคลง ใ, ในส่วนที่ดิฉันยกตัวอย่างคือพระสงฆ์ท่านกําลังจะบอกว่าในที่นี้ถ้าเราไปคิดมันก็เท่ากับว่าทําให้อินทรีย์ของเรานั้นอ่อนกําลังลงถูกไหมคะถูกต้ตองเพราะพระสงฆ์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ พระสมรูปใดรูปหนึ่งหมู่ใดหมู่หนึ่งแต่หมายถึงพระสมโดยรวมทั้งหมดที่เป็นพระสงที่ตั้งของศรัทธาถูกไหคะใช่หมู่นะคะเหก็้ดยเหตุผลหนึ่งที่ท่านพิบูลบอกไปแล้วว่าถ้าเรามัวไปคิดแต่ในด้านที่จะทำให้มันไปในทางการพยาบาทหยุดเรียนจิตมีกิเลสมก็มิฉะสังคกปากแน่นอนนั่นเ่ยนะคะ ค่ะได้แง่มุมที่ละเอียดลึกซึ้งเลยที่ฉันเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นสําหรับอ่าบางท่านที่อาจจะมีคําถามแบบเดียวกันเพราะดิฉันเข้าใจว่าในโลกข้อมูลข่าวสารบางทีท่านก็อาจจะไม่ได้ทําอะไรบกพร่องอย่างนั้นนะครับแต่เอพอมีการกล่าวโจทย์กันกล่าวโจทย์ถูกต้องตามพระธรรมวินัยหรือเปล่าเราไม่รู้หรอกเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ทางโลกอืม นะคะโลกกับทรรมันอยู่ใกล้กันนิดเดียวก็อาจจะไปเสียหายในเรื่องของผลของการปฏิบัติเนื่องจากไม่เข้าใจในแง่มุมนี้ค่ะดิฉันพูดถูกแล้วใช่ไหมคะเช่ผ่านงั้นก็คำถามของคุณสิริวันถือว่าได้ตอบครบท้วนสมบูรณ์นะคะเช่ผ่านดิฉันขอสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าในส่วนของทุกขาปฏิปทากับสุขาปฏิปทานั้น ทั้งสองอย่างในแง่ของการจะนำไปสู่การบรร ล, ลุธรรมไม่ได้มีอะไรยิ่งหย่อนไปกว่ากันเพียงแต่ว่าแต่ละท่านนั้นจะถนัดที่จะปฏิบัติเพื่อจะไปสู่ปลายทางนั้นอย่างไรพูดแค่นี้ถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องค่ะและสาหรับวันนี้นะคะรายการสัญ น, นิยสนทนาก็ได้ทําหน้าที่มาถึงขีดขอบเขต ของเวลาที่ว่าเราจะต้องลาจากกันก็ต้องกราบน้อมสักการขอบพระคุณพระมหาภายัยบุอภิปุณโญและคุณจิริวัล น, นะคะที่ได้ถามคําถามมาให้พวกเราได้แบ่งปันความรู้กันกราบน้มสักการด้วยความเคารพยิ่งค่ะเจนพานค่ะท่านฟังที่เคารพคะเรามาติดตามรับฟังการสนทนากับรพระมหาภัยบุญอภิปุณโญซึ่งดิฉันไม่ได้สนทนาเพื่ อ, อที่จะได้รับความรู้ส่วนตัวแต่ว่า พลอยที่จะได้รับความรู้นั้นไปด้วยจากการสนทนากับพระมหาภัยบู์ให้ท่านฟังทั้งหลายได้เข้าใจในเรื่องคําสอนของภาษาสดากันมากยิ่งขึ้นทั้งในส่วนของที่เป็นธรรมกับในส่วนของการปฏิบัติธรรมนะคะวันนี้เราอยู่ในห่วงเวลาของวันที่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์วันวิสาขบูชาเราก็น้อมนํำมาไปปฏิบัติกันให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป นะคะและสำหรับเราก็จะกลับมาพบกับท่านฟังกันทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์พรุ่งนี้พบกันนะคะวันนี้ลากไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะพุทธวัตรสวัสดีค่ะ